เจริท่านผู้มีจิตสัทธามีความเมื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านอันนี้เป็นวันเสาร์ที่30เพศสภาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาลากบา มาชนระใจให้สาดบริสุทธิ์เพราะเป็นการกระทำที่จะทำให้เกิดผลดีดังไหนโพนี้แม้จะพบต่อไปเป็นสิ่งที่เราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เราไม่สามารถเอาไปกับเราได้ แม้แต่ว่างกายของเรานี้ก็ไม่สามารถเอาไปได้เอาไปได้ก็คือดีกับบาบ ก, กับกิเลสตัณหาหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าเราเอาบาไปเอากิเลสไปเราก็เอาความทุกข์ไปถ้าเราเอาบุญไปเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าไป เราก็เอาความสุขไปเพราะาการกระทาบาปกับดิเลตันหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆนั่นเองส่วนการทำบุญและการเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าติดตัวไปก็เป็นการสร้างความสุขให้กับใจของเราใจของเราไม่ต้องการอะไรต้องการความสุข และสิ่งที่จะให้ความสุขกับใจของเราก็คือบนบุญธรรมะของพระพุทธเจา้า<ม>ของอย่างอื่นไม่สามารถให้ความสุขกับใจได้มีแต่จะให้ความทุกข์กับใจเช่นลาบยศสารเสริญรูปเสี<ม>ยงกลิ่นรสต่างๆ<ม>สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ให้ความทุกข์กับใจเพราะใจ มีกิเลสมีตัณหาความอยากเมื่ออยากได้สิ่งเหล่านี้เวลาสิ่งเหล่านี้จากเราไปเราก็จะทุกข์ใจดังนั้นะเราต้องพยายามมาชำระใจของเราลดละความโลภความอยากให้น้อยลงไปถ้าความโลภความอยากน้อยลงไปความทุกข์ก็จะน้อยลงไป ความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปนี่คือเรื่องของใจความสุขความทุกข์ของใจนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ขึ้นอยู่ที่บุญและที่ธรรมะคือความรู้ต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจาก ความอยากของเราเกิดจากความโลภของเราถ้าเราไม่โลภไม่อยากเราจะไม่ทุกข์ถ้าเราโลภเราอยากเราจะทุกข์เพราะสิ่งที่เราโลภเราอยากได้นั้นเป็นของชั่วคราวเราได้มาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเสียไปเวลาได้มาเราก็ดีใจแต่เวลารเราเสียไป เราก็ต้องร้องห่ยร้องห้เศร้าโศกเสียใจถ้าเราไม่มีความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆเราก็จะไม่ต้องมาเสียใจมาทุกข์ใจกับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปเพราะของต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของที่ไม่ถาวรเป็นของชั่วคราว ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปพวกเราจึงต้องทุกข์กับการสูญเสียอยู่เรื่อยๆแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องมีสิ่งต่างๆเราก็มีความสุขได้เพราะเราไม่เคยทดลองอยู่แบบไม่มีอะไรนั่นเองพอเราไม่มีอะไรใจของเราที่มีความโลภความอยาก มันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราขึ้นมาทันทีต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้ถ้าไม่มีแล้วก็จะทุกข์นี่ความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการไม่มีแต่ความทุกข์เกิดจากการอยากมีถ้าไม่มีความอยากมีอยากได้อะไรการไม่มีอะไรนี้ดีที่สุดเพราะไม่มีอะไรต้องมาคอยรับผิดชอบ ไม่ต้องมีอะไรมาคอยดูแลรักษาไม่ต้องมีอะไรมาเสียอกเสียใจนี่คือความจริงที่พุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุแล้วนํเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราสอนให้พวกเราหัดอยู่แบบไม่มีอะไรอยู่แบบตัวเปล่าๆแม้แต่ร่างกายนี้ก็ต้องเตรียมสละมันไป เพราะร่างกายนี้มันก็จะต้องตายจากเราไปถ้าเราไม่พร้อมที่จะสละมันถ้าเรายังมีความโลภความอยากให้ร่างกายอยู่กับเราต่อไปเวลาที่ร่างกายจากเราไปเราจะทุกข์มากแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเรานี้ไม่มีวันตายไม่มีอะไร ใจก็อยู่ได้อย่างสบายเนี่ยตอนนี้พระพุทธเจ้าของพวกเราพระอรหันตาสาวกของพวกเรานี้ใจของท่านก็อยู่แบบไม่มีอะไรท่านไม่ต้องมามีร่างกายเหมือนพวกเราพอไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมีภาระที่ทํามาเลี้ยงดูร่างกายร่างกายของเรานี้เป็นภาระอันหนักอย่างยิ่ง พวกเราทุกวันนี้ริ้นโลนกันลำบากลำบนกันก็เพราะร่างกายอันนี้ตื่นขึ้นมาก็ต้องมีอะไรรับประทานแล้ลมหายใจก็ต้องคอยหายอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็หิวน้ำก็ต้องเดินน้ำเดี๋ยวร่างกายโสก็ต้ก็ต้องไปอาบน้ำมีแต่เรื่องมีแต่ภาระให้เราคอยดูแล แล้วไม่ไมช้าก็เร็วมันก็จะแก่ลงไปจะเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ลำบากทุกข์มากเวลาแก่ก็ทุกข์มากลาบากมากแล้วก็เวลาตายก็ต้องมาทุกขกับความตายเพราะยังไม่ยอมตายยังอยากเลี้ยงดูร่างกายนี้ต่อไปยังอยากจะแบกภาระอันหนักของร่างกายนี้ต่อไป เพราะกลัวว่าถ้าไม่มีร่างกายแล้วเราจะตายไปความจริงเราไม่ตายเราก็คือใจของเรานี้ไม่มีวันตายใจของเรานี้ไม่ต้องมีอะไรอยู่ได้อย่างสุขสบายมีความสุขแบบปรมังสุขขงังคือบรมสุขถ้าไม่มีอะไรเลยอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราตอนนี้ มีปรมังสุขขังมีบรมสุขเพราะใจไม่ต้องการอะไรและก็ไม่มีอะไรร่างกายก็ไม่มีลาภยศสารเสริญก็ไม่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีสามีก็ไม่มีภรรยาก็ไม่มีบุตรธิดาก็ไม่มีญาติสนิทมิตรสหายก็ไม่มีไม่มีอะไรเลย แต่กลับมีความสุขเพราะนี่แหละคือความสุขของใจเป็นอย่างนี้ใจจะสุขก็ต้องไม่มีอะไรถ้ามีแล้วมันทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะถ้ามีแล้วถ้ามีความหลงก็จะอยากให้สิ่งที่มีนี่อยู่ไปนานๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันจากเราไปแต่มีอะไรบ้างในโลกนี้ที่ไม่จากเราไป ที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีพ่อแม่จะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าสามีภรรยาจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าลูกของเราจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าร่างกายของเราจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่พวกเราหามาแทบเป็นแทบตายจะอยู่กับเราไปตลอดหรือเปล่าไม่มีอะไรจะอยู่กับเรา พวกเราไม่รู้ว่าเราสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรพวกเราเลยกลัวเวลาไม่มีอะไรจะทุกขขึ้นมาทันทีเพราะไม่รู้ว่าการไม่มีอะไรนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งแต่การที่จะทำให้ใจมีความสุขอย่างยิ่งกับการไม่มีอะไรใจก็ต้องทำลาย เราต้องมาทำลายความโลภความอยากให้มันหมดไปจากใจเพราะความโลภความอยากตัวนี้แหละที่ทำให้เราทุกเวลาที่เราไม่มีอะไรเวลาเราไม่มีอะไรอะไรจะเกิดขึ้นมาก็เกิดความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่ขึ้นมาทันทีเช่นอยู่คนเดียวก็เหงาก็อยากจะได้แฟนอยากได้สามีอยากได้ภรรยา พอได้สามีได้ภรรยามาแล้วเป็นอย่างไรสุขกับทุกข์อันไหนจะมากกวกันเวลาอยู่คนเดียวต้องทุกข์กับสามีต้องทุกข์กับภรรยาหรือเปล่าถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์กับความอยากอยากได้สามีอยากได้ภรรยาเท่านั้นถ้าเรามาหยุดความอยากนี้ได้เราก็จะสบายความทุกข์ความอยากนี่แหละทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมา เราต้องหยุดความอยากเพราะพุทธเจ้าก็มีเครื่องมือให้เรามาหยุดความอยากกันก็มีอยู่สามชิ้น้วยกันเครื่องมือที่มาใช้หยุดความอยากต่างๆชิ้นที่หนึ่งเรียกว่าทานชิ้นที่สองเรียกว่าศีลชิ้นที่สาเรียกว่าภาวนาถ้าเรามีทานศีลภาวนาเราจะหยุดความอยากต่างๆได้ เช่นเราอยากจะไปซื้อผ้าซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จำเป็นไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนแต่พอเห็นเขาโฆษณาในทีวีโฆษณาในหนังสื้อผิมเห็นแล้วก็ชอบอยากได้ขึ้นมาวิธีที่จะหยุดความอยากนี้ก็คือเอาเงินที่เราจะไปซื้อของที่เราอยากได้นี้เอาไปทำทานเอาไปให้คนอื่น เป็นวันนี้ญาติโยมเอาเงินทองมาทำทานเงินทองก้อนนี้ญาติโยมก็เลยไม่สามารถเอาไปทำตามความอยากได้นี่คือเป้าหมายของการทำทานเพื่อกำจัดความอยากที่จะใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆนั่นเองถ้าเราใช้เงินทองซื้อสิ่งต่างๆเงินทองก็จะต้องหมดไปหมดไปเราก็ต้องไปหาเงินทองมาใหม่ การหาเงินทองนี่มันสบายที่ไหนมันสุขที่ไหนต้องไปทำงานกันต้องไปเหนื่อยไปอะไรกันเพราะเราอยากจะใช้เงินทองถ้าเราหยุดกันอยากใช้เงินทองได้เราไม่ต้องทำงานก็ได้ถ้าทำงานก็ไม่ต้องทำมากทำอาทิตย์ละวันสองวันก็พอแล้วทำมาเลียกปากเลียกทองทำแค่วันสองวันก็เหลือเฟือแล้ว นี่คือเครื่องมือตัดความอยากการทำทานนี้ขอให้ญาติโยมทำความเข้าใจไว้ตั้งแต่บัดนี้ว่าทำเพื่อตัดความอยากทุกครั้งที่อยากเอาเงินไปใช้ตามความอยากให้เอาไปทำทานเสยให้ใครก็ได้ให้สามีก็ได้ให้ภรรยาก็ได้ให้พ่อให้แม่ก็ได้ให้พี่ให้น้องให้ใครก็ได้ ขอให้อย่าให้เราก็แล้วกันเพื่อเราจะได้ตัดนิสัยที่ไม่ดีนี้ไปเพราะถ้าเราตัดความอยากได้ต่อไปเราไม่ต้องใช้เงินเราไม่มีเงินเราจะไม่เดือดร้อนตอนนี้ที่เราเดือดร้อนกันเพราะว่าเวลาเงินหมดแต่ความอยากใช้เงินมันไม่หมดถ้าเงินหมดแล้วความอยากใช้เงินหมดไปก็ดีไม่มีปัญหาอะไร แต่ความอยากใช้เงินนี้มันไม่ยอมหมดไปกับเงินทองที่เราใช้ไปเราก็เลยต้องไปหามาใหม่หามาได้ก็ใช้มันอีกใช้หมดก็ต้องไปหาแล้วถ้าไปหาโดยวิธีที่ถูกต้องไม่ได้ก็ต้องไปหาวิธีที่ไม่ถูกต้องไปทําบาปไปทําผิดศีลผิดธรรมเราจึงต้องมีเครื่องมือชิ้นที่สอ ก็คือสิเราต้องไม่ไปหาเงินหาทองด้วยวิธีที่ทำบาปไม่ไปฆ่าไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปไประพฤติผิดประเวณีไม่ไปพูดปดไม่ไปเสพสรารยาเสพนี่คือเครื่องมือข้อที่สองเพราะถ้าเราไปทำบาปแล้วเราจะเดือดร้อนถ้าเป็นผิดกฎหมายก็ต้องหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ อ, อยู่แบบหวาดภาวาหวาดกลัวไม่มีความสุขทำไปทำไปทำบาปแล้วมันได้อะไรทำบาปแล้วมันได้ความทุกข์แต่กลับทำทำเพราะอะไรเพราะความอยากได้เงินทองอยากได้สิ่งนั่นสิ่งนี้เพราะเคยทำตามความอยากมาจนติดเป็นนิสัยจนไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ พออยู่เฉยๆก็อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากทำนั่นทานี่ <c oughs> พอไม่มีเงินที่จะไปทำตามความอยาก <c oughs> ก็ต้องไปลังทรัพย์ไปทาบาปอีกนี่คือปัญหาของความอยากมันพาเราไปสู่ความทุกข์มันไม่ได้พาเราไปสู่ความสุขแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะอยู่เป็นสุข <c oughs> อยู่เฉยๆได้ พวกเราทุกคนนี้อยู่เฉยๆกันไม่ได้เพราะเราไม่เคยคิดกำจัดความอยากเลยมีแต่จะส่งเสริมความอยากอยากได้อะไรทำทันทีอยากดูอะไรดูทันทีอยากฟังอะไรฟังทันทีนี่แหละคือทุกข์ของพวกเราเกิดจากการที่อยู่ไม่เป็นสุขเพราะความอยากมันคอยผลักดันให้เรา ต้องไปหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาอยู่เรื่อยๆถ้่เราอยากจะหยุดความอยากเราก็ต้องใช้เครื่องมือที่พระเจ้ามอบให้กับเราข้อที่หนึ่งก็ทำทานเอาเงินที่จะไปซื้อของตามความอยากเอาเงินที่จะไปเที่ยวตามความอยากนี้เอาไปทำทานไม่ต้องทำกับวัดก็ได้ทำกับใครก็ได้ ทำกับขอทานก็ได้ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับคนพิกลพิการก็ได้ทำกับเด็กพิการก็ได้ทำกับเด็กยากจนก็ได้ทำไปเพื่อตัดความอยากอันนี้คือเป้าหมายหลักของเราอยู่ที่การตัดความอยากเงินทองนี่มันเป็นเหมือนเครื่องมือของความอยากถ้าเรามีเงินทอง ความอยากมันก็จะใช้เงินทองนี้ตอบสนองความอยากแล้วความอยากของเราก็จะต่ออายุมัน ม, มันจะไม่หมดไปมันจะไม่น้อยลงไปแต่มันจะมีเพิ่มมากขึ้นไป <c oughs> ก็เราตั้งแต่เกิดมานี่เราทำตามความอยากมาตลอดความอยากต่างๆมันหายไปบ้างหรือไม่มันไม่หายหรอกถ้าเราไปทำตามความอยาก ถ้าเราอยากจะให้มันหายเราต้องไม่ทำตามความอยากเช่นถ้าเราอยากสูบบุหรี่เราไม่สูบบุหรี่เราฝืนความอยากฝืนไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานความอยากสูบบุหรี่ก็หายไปแล้วก็ไม่ต้องสูบบุหรี่ไปตลอดชีวิตแต่ถ้าเรามีความอยากแล้วเราทำตามความอยากอยากจะสูบบุหรี่ก็ไปสูบพอบุหรี่หมดก็ต้องไปซื้อมาสูบใหม่ เพราะความอยากมันไม่หมดจะต้องสูบไปจนมันตายสูบจนกระทั่งเป็นโลกจนไม่สามารถจะสูบได้นี่แหละคือความอยากมันเป็นอย่างนี้เราต้องสกัดมันเราต้องสู้มันถ้าเราอยากจะอยู่อย่างมีความสุขจะอยู่อย่างไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราไม่ต้องมีอะไร ความวุ่นวายนี้เกิดจากการที่เรามีสิ่งต่างๆนั่นเองแล้วพอสิ่งต่างๆมันไม่อยู่กับเราเราก็จะวุ่นวายใจขึ้นมาทันทีเช่นสามีหรือภรรยาเขาไม่ขออยู่กับเราใจเราก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันทีเขาบอกว่าเบื่อแล้วอยู่มานานแล้วอยากจะเปลี่ยนคนอยากจะไปอยู่กับคนอื่นถ้าเขาพูดแค่นี้ใจเราก็วุ่นวายขึ้นมา พอเรายังมีอยากจะให้เขาอยู่กับเราอยู่นั่นเองแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาอยู่กับเราพอเขาบอกว่าเขาจะไปท่านั้นเราจะดีใจไปได้ก็ดีอยากจะให้ไปต้องนานแล้วไม่ไปสักทีนี่แหละคือความอยากเป็นอย่างนี้เฉะั้นถ้าอยากจะมีความสุขต้องอยากให้เขาไปอยา่าไปอยากให้เขาอยู่ ถ้าอยากเขาอยู่แล้วเวลาเขาจะไปนี่เราจะทุกข์มากนี่คือเครื่องมือสองชิ้นที่พระเจ้าส่งมอบให้กับเราคือทานกับศีลชิ้นที่สามก็คือภาวนาถ้าเราอยากจะหยุดความอยากอย่างถาววอนเราก็ต้องหยุดใจเราหยุดใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะได้ขึ้นมาทันที ถ้าเราไม่คิดเราก็จะไม่อยากได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายวิธีทำใจให้ไม่คิดก็ต้องใช้ความคิดมาหยุดความคิดความคิดที่จะหยุดความคิดต่างๆหยุดความอยากที่เกิดจากความคิดต่างๆได้ก็คือการคิดคำว่าพุทโธพุทโธไปท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจแล้วใจจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ไม่ได้เพราะอยู่กับพุทธโธถ้าไม่ชอบพุทธโธก็ใช้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือจะสวดบทพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ได้สวดมนต์บทไหนก็ได้สุดเพื่อให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆไม่ให้ไปอยากกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เชื่อลองดู วันไหนเราไม่สบายใจกับคนนั้นคนนี้เราลองมาสวดมนต์ดูสวดไปเรื่อยๆสวดไปจนกว่าเราจะลืมเรื่องของคนนั้นไปพอเราเลืมแล้วความวุ่นวายใจก็จะหายไปความวุ่นวายใจเกิดจากความคิดของเรานั้นเองคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วก็อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ก็วุ่นวายใจขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมาเราจึงต้องมาควบคุมความคิดของเราให้ได้หยุดความคิดของเราให้ได้เวลาที่มันคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเราต้องหยุดมันถ้าเรารู้จักวิธีหยุดมันต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรเวลาใครทำให้เราโกรธเราก็หยุดคิดถึงคนที่ทาให้เราโกรธ ความโกรธก็จะหายไปนี่แหละคือวิธีที่เราจะมาทําลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราได้อย่างถาวรอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติมาถ้าเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตาย มามุ่นหวายกับการดูแลรักษาร่างกายมามุ่นหวายกับการหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขนิดเดียวสุขตอนที่ได้มาแล้วก็ต้องมาทุกเวลาที่ต้องดูแลรักษาต้องมาทุกเวลาที่ต้องสูญเสียไปถ้าไม่มีความอยากแล้ว ก็จะอยู่คนเดียวได้ไม่มีอะไรได้ไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปทำงานทำการให้เหนื่อยอยากอยู่เฉยๆแสนจะสบายกลับอยู่กันไม่ได้พาอไม่รู้ความจริงอันนี้นีน่วันนี้พวกเราได้มาฟังเทศฟังธรรมได้รับรู้ความจริงอันนี้นแล้วว่าความสุขอยู่ที่ความไม่อยากความทุกข์อยู่ที่ความอยาก ถ้าอยากจะสุขก็อยากไปทําตามความอยากถ้าไม่อยากจะทุก์ก็อยากไปทําตามความอยากให้ต่อสู้กับความอยากด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาแล้วชีวิตของเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปตามลำดับเพราะความอยากจะน้อยลงไปตามลำดับและจะหมดไปได้ในที่สุด นี่แหละความสุขความทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความอยากหรือความไม่อยากจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาวิธีสร้างความสุขดับความทุกข์ใจด้วยการตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนานี้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 ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุพรรษสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ